วินัยวิสัชนากถาว่าด้วยการวิสัชนาพระวินัยเรื่องพระเจ้าบกีวิสัชนาพระวินัยข้อหนึสมัยนั้นพู้พิสูจช์เจ้บกียังไม่ได้รับแต่งตั้งก็วิสัชนาพระวินัยในท่ามกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่ได้รับแต่งตั้งเมตเพิงวิเศชนาวิเนยในท่ามกลางทรงรูปใดวิเศชนาต้องอบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราเนื่องให้ภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งวิเศชนาพระวินัยในท่ามกลางสงร์ได้วิธีแต่งตั้งเป็นผู้วิเศชนาภิกษุทั้งหลายเพิงแต่งตั้งอย่างนี้ตนเองแต่งตั้งตนเองก็ได้ภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งก็ได้อย่างไรเล่าชื่อว่าตนเองแต่งตั้งตนเอง คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ทรงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่ากรมมวาจาแต่งตั้งตนท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมก็แล้วข้าพเจ้าอันผู้มีชื่อนี้ถามพระวิัยแล้วขอวิสัญญาอย่างนี้ชื่อว่าตนเองแต่งตั้ง ต, งตนเองอย่างไรเล่าชื่อว่าภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งคือ ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่ากรมมวาจาแต่งตั้งผู้อื่นท่านผู้เจริญขอทรงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมกันแล้วผู้มีชื่อนี้อันผู้มีชื่อนี้ถามพระวิ น, นัยพึงวิจารณาอย่างนี้ชื่อว่าภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งเรื่องคุกคามจะฆ่ า, า, าเรื่องที่สอง สมัยนั้นพวกภิกษุผู้มีศีลนิงามได้รับแต่งตั้งแล้ววิจิชนาพระวินัยใท่ามกลางสง์พวกชาวพกคีได้อาคาตแค้นเคืองคุกคามจะฆ่าภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุแม้ได้รับแต่งตั้งแล้วตรวจ ด, ดูบริษัทพิจารณาบุคคลแล้วจึงวิจิชนาพระวินัยใน่ามกลางสง